แอบสบายไปแล้วงความจริงพปะเจ้าเสาสินใครเย็น้ี่ก็เป็นเป็นเจ้าแผ่นดินอ่าพูเจ๊กเจ้าของทงสีโอ้โหมว่าไม่ได้เชื่อเลยไม่น่าเชื่อเสียเปียเป็นเจ้าของงีอเสยเสียกับพ่ออะเป็นเจ๊กครับแค่ตื่นหนักเนี่ยฮะเออจ้า่ออะไรแล้วพูดได้งงกันหะเรืออะอืจ้ะ เด็กกพไปเจ็อ่าอกัพจะตั้งรถลากอยู่ที่อยุธยาสมัยฮะพวกจะตั้งรถลากที่อยุธยาอยุยาใช่โดยจะรวยมากๆโชคดีมีสมนะก็มีคนสามคนเป็นเพื่อนกันเด็กว่าเพื่อนซอะไรนั่นนะใช่มีเด็กไทยศิลป์นด่กละเด็กไทยดวงเด็กไยบนนาศ เออบุญเจ้าเองไม่ไม่บุญเจ้ r เก่งสิเก่งๆเลยด้วยลูกเอ้ยโชคดีมีโชติจักรอ้าวรวยเอ้ารวยมากๆเลยหอดเจ้าเออโชคดีมีโชคหน้ารวยรวยเลยองจ้าอ้าวรวยมากๆโชคดีมีโชจรวยนะเอ้ รวยมากมากเลยโชคดีเลยต i วเองจ้าอ๋อรวยรวยเรียสิเรียนเกงเลยจ้าอ๋อรวยมากมากปัตนาสมัตทุกอย่างนะเจ้านะอ๋อโชคดีมีตจ้ เออรวยรวยเอเปิดน้าสมบัตทุกอย่างนะอ่าสารคดีมีข้าได้ตลอดแบบครับแหมดิถ้าเขียนแบบประวัติศาสตร์ตามความเป็นจริงหรือว่าไปเล่นละครเนี่ยคงจะอบอุ่นสนุกดีนะครับ คือแต่งเป็นละครเสียครับแล้วก็ละครมันไม่ไม่จําเป็นว่าต้องเหมือนไม่เหมือนเนี่ย่าับตรงแล้วไม่ตรงใช่ไหมครับแล้วก็จริงเขียนตามตรงได้แต่ว่าถ้าจะให้ใครจะเขียนก็ไปหาไม่ชีบรมยบรัยแกเล่าเรื่องละเอียคนนี้อ๋อออิคกร็รู้รู้โดยแบบไหนแบบนั่งหรือไม่ใช่พยาวิชัยไปบอกโอ้เพรา้นพบพยาวิชัย ถามมีใครรู้เรื่องนี้บ้างบบประหยัแม่ชีวรมารู้เรื่องนี้อีกเพราะว่าถ้าไปเล่าให้ฟังอแล้วก็เหมือนกับพี่พี่หลวงพ่อความาจากษ์เหมือนเหมือนชายชาตี่ถึงของแท้แส่วนมันตรงกันกราบกลารื่องบนลูกรวยๆนะจ้าขอโชคดีมีถึลูกเอ้ยอะไรเมื่อลรกจ้ารวยมากๆศาสนาสมามทอย่างนะโดนตัวไปฟ้าลูกเอ อ้าวรวยๆจยอมใจโชคดีมีถุงนะยมาเลยเจ้เออพ่อวงพอสินผมจะพอเคยได้ยินบ้าแต่พ่อนักอะไรอะไรที่นะอะไรนะกูมนนักต้รมนน่ะอตรกูมนนเลยที่สามท่านนี่เป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนเดกวัาไปด้วยกันอ้าวแล้วก็ บุญนาคได้มาไปใหญ่เป็นโตแต่เรื่องหายจ้อยไปเลยโตไม่ได้เพราะว่าครัวพระเจ้าตัดสินป์นเลยเลยเจ้เาไหนตะกี้ตอนต้นบอกเป็นเพื่อนกันซี่งเป็นเพื่อนกันแล้วกรัวขี้แตกเลยเลยเลยเจ้าโอ้ยกลับไปอย่างนั้นไปอีกขนาดเพื่อนกันเหรอเขาใช่คือไปจําคําพูดคำหนึ่งสมัยเป็นเด็กเืยๆๆเลยเจ้าโดยเลยน ะ, นะวันหนึ่งพระเจ้าตัดสินเด็กชายศิลป์นะ นอนหลับคือชาหาชายชายหาดวัดนะอ oh. แล้วก็ที่นั่นมีต้นกล้วยเจ็กสิงก็มีข้างเปียใช่ไหอ oh. เด็กชายบนนักเอาข้องเปียผูกกับต้นกล้วยอออื uh ื huh. แล้วต่างคนต่างกหนีไปนี่เด็กชายสิงติดขึ้นมาหัวกรยับไม่ได้ติดต้นกล้วยโก oh. จันทร์เด็กก็รู้ว่าใครผูกต้องในวิธีใครเจ้านั่งเนะี่ะ ไปเจ็หน้าเขาเลยบอกว่าถ้ากูเป็นพระเจ้าดินมะลายกูจะฆ่าเมืองมันนั่นน่ะไอ้คำนี้คําเดียวคุณมันหน้าตัวที่แตกเลยต้องมาอยู่กรอเหนึ่งโอท่านพูดตอนสมัยเป็นเด็กเลยเหรอครับใช่เ ข, า ไ, ข, า, ขาไม่จําแล้วเขาเลิกจำแล้วที่ยังกลวยนั่นแหละอ๋อสมัยน <laughs> ั้นเล่นจะเล่นแบบตา ฟ, ฟิษวิเลนสารเทพกันไงก็เด็กวัดธรรมดาเป็นเด็กวัดก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเล่นทุกอย่าง ไอ้ที่เหลือเล่มเต็มกำลังก็ต้องไปวัดใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ตกลงว่าก็ได้ดีมันติดไปอยู่วัดนู้นใช่ใช่ไอ้ที่รอหนึ่งรับราชการแล้วเป็นอ่าเป็นอะไรก็เป็นเดือนเดืนกรกฎาศักดิ์น้อยเพระเจ้าตัดสินเพราะอะไรรู้ไหครับเพราะอะไรพระเจ้าตัดสินรับราชการแล้วแต่รอหนึ่งยังติดตามพระเจ้าสุทมพรอยู่อุทุมพรอะไรท้ายสระนะเราเอกน้ำเปล่าได้หรือว่า ตนนี้ก็รับราการหลังหลังข้างหลังช้าเกินช้ากว่าพระเจ้าตัดสินยุยยารอนหน่อเงินไปแห่หลวงนุง่ยงกบัดโหยังผ่ากันเยอะเลยใช่ใชแ่แล้วแล้วที่บอกว่าไอตอนที่กรงศิีอยุยาแตกแตกนั้นข้อร้อนหนึ่งไ ป, ไปอยู่ไหนไปไปชื่อว่าอยู่เวลรีไป<อ>เป็น ผู้อะไรการอยู่ลาดบุรีนั่นอ๋อเป็นยุ้ผู้ว่างั้นเหรอใช่ใช่งั้นรูปหล่อที่เขาปที่ลาบุรีนั้นนั่นองเดียวกันใช่ไมไม่เคยเห็นนะรูปหล่ออยู่ข่าเขาอะที่ผ่านเขาหล่อใครไว้รูกอะไรเที่อาเจ้าเจ้าไหล่อสองแล้วมั้งนะหสแล้วหนึ่งออเอาแบมือลูกอะไรจักรเี่ยมัยาัญหาจักรีใ่ใช่แล้อหนึใช่ อาวรวยรวย m ิ้นซื้อเก่งๆนะลูกนะโชคดีมีสุขกเอ้ยเงินเจ้าโยมเจ้ารวยรวยนะเจ้าเออรวยเขาหอมกโชคดีมีสุขเอ้ยรวยมากนะจ้าเอาจากกเอ้เอาเลยยมากมๆเลยโชคดีมีสุขนะ อ๋อเลยเราจะยจอมใจโชคดีมีเุมุมนะแต่ความดีเขาจะเอาที่นเนื้อหาที่เสีบไม่ได้นะ้การสลารลับัติแบบนั้นนะ่ะปกติเวบเขาได้ไม่เคยเป็นแล้วได้เป็นเนยโอ้โหอันหนึ่งแล้วก็อันที่สองเห็นก็ชาติบัตนเมืองอะไรจะแหนม แเราขอลูกเราขอลูกที่จริงแกเอ่อหน้าถ้าไปทั่วทั่วไปก็มักจะสมบัตทั้งหลายจะต้องไหวให้ลูกโอรถตัวใช่ใช่นี่เสียสละอ้าวรวยๆลูกเอยโชคดีมีตัวนะจ๊ะอ้าวรวยมากอันรวยมากลูกถากตามใจพระเสริมรถแทบตายผู้บาปผู้เมืองแทบตายตอนจนสบายซะหน่อยกับ เสียผละไปซะอีกไม่เสียก็ไม่ได้ไมีตังมีตังแค่นี้เหรอโอ้ <c oughs> เอ้ยกล็ล้วจำเซนจำจำใจอย่างั้นนี่แหะคงต้องเต็มใจอ๋อต้องเต็มใจเพราะ<ล>ว่าท่าจนจะเปกรรมฐานยูเรื่อยชักลูกประคาเย<อ>ื่อยหลังจากลบแล้วนะ ป, นปะกติตอนที่เรียกเจ้าพญามหาสัตติกาปก็นั่งชักูกประคอยู่ อ, อย่าลืมถ้าไม่เล็นเลยโอ้โหได้เลยนะจา้าขอโจทดินจทยลกเลยรวมากอะ ไม่รับปฏิบัติแท้เลยเจ้าทัานบาปยิงตามไม่ทันใช่ตอนที่ลวกพ่สอนลูกสอนหลานว่าตายมาลายปฏิภาณชาตินี้จะได้หมดเรื่องหมดราวใช่อ๋อเอ้ารวยนะอาจารย์นะโชคดีมีตัวนเกจะรอยมากมากแต่รวยน้อยนะแดดรลยจนน้าดู จริงเราบบชิดไปถึงนะครับ <c oughs> ูดว่าประเทศไทยตอนนั้นทำไปได้พระเจ้าตากสินไ่ได้สิบทหารเสือที่ก็ป่านนี้ก็เราไปคิดข้าว็มาาโอ้โหรวยๆจ้าโจคดีมีจุกกลหมองแร่น ง, งานตายเลยใช่ใหมนั่นคิดล้างเลยนี่ขนาดชาวบ้านพมืองเอา้ารวยๆลูกเอ้อยส อ, อ, อ, องนอนหนังเอาแต่งคอร์ย โอแหมเขาจ่ายลายกนะันเราเล่นเผาเล่นลัละกล้างกันเลยเนาะใช่เขาไม่ต้องการให้มีชาติต่อไปอพราพว่าม้มันตั้งก่อนเรามาสองร้อยปีอ๋อเพรา ะ, ระมาะม่ก่อนไทยแหละก่อนก่อนไทยไม่เชื่อไปถามไทยสมัยนั้นสิครับแหมแต่ละอย่างนี้จะไม่เถียงเลยนะอ้หรือยังไงเราถ้าไม่ถามคนสมัยนั้นจะถามใครอ่ะเลยเลยจ้ะ ต้องตายเกิดยอบเลยสมัยนั้นก่อนนะเออแปลกจริงๆนะแต่ของเราเวลาได้ก็ไม่โตเท่านี้มันเป็นห ย, ย่อมๆ็น่ไหมออย่างเชืองใหม่เขาก็เมืองหนึง่งลำปางก็เมืองหนึง่งลำพูก็เมืองหนึง่ง ไ, ไม่ได้รวมไม่เขตไม่ได้รวมอย่า ง, ง, งกำแพมเพชก็เมืองหนึง่ง อ๋อต่างคนต่างใหญ่ใชไหมใ ช, ใช่ต่างคนใหญ่ไม่ยอมไม่อยากเล<ะ>่นล บ, บากใหญ่เลยนะครับาก็ตีทีนิดหน่อยไม่ไม่ไม่่ช่วยตีลอันหักตีดันหักง่าย อ, อ๋ออย่ามา่านี่ยบากมากเดี๋ยวเป็นไทยเดี๋ยวเป็นพมา่าอไอเชใหม่เหม่นะากลำา บ, บากมากออโอนไปเอนมาใ่ใช่รวยรวยรวเลยมตัวะจ้าอ้าวรวยมากๆนะสมาเอย่างนั้น เออจะโชคดีกับนะอย่างพม่ามาตีเชียงใหม่เราเดินทางกว่าจะช่วยได้กว่าสามเดือนอ๋ อ, อ, อพี่ดีเยวพี่ดินก่อนพม่าจะต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ชัดหลาย อันุนมานนะอันุนมานนะอันยุมานนะหูไม่ค่อยดีเพราะได้แบงหูไม่ดีพันโนมานบริจาคที่ดินห้าร้อยบาทบรถสมเด็จสามโ อ, อสมัยนั้นไอรถคงรถไฟอะไรที่จะเดินไม่ไม่มีไม่ใช่พระบาชาตกลงพระพลทหารที่เดินไงเท้าทั้งนั้นเลยเหรอใช่ใช่ไม่ได้มือเดินหรอกอไอไอพระจ้า เดินเท้ามือเดินด้วยกัคลานโอ้โหก็จะไปก็จะมาแต่ว่าการเดินทัพก็ต้องห่างกันนะถ้าชาวบ้านเดินหนึ่งวันกองทัพเดินสามวันอ่าเกี่ยวกประสบอาหารเนี่ยเาโอเอโอเอไปไปถึงไอ้วัไฟมันก็หนักใจโอ้เวลวไปมีวัวมีไฟเวียนต้องทุกเวียนไปอาหารแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยนั้นก็ คนตญ่คนต่างคนต่างถือไปลำบากมากาปครับคิดถึงความจริงรื่เก่าๆถ้าลำบากมากเวลานี่มีเครื่อบินบรรทุกมีหอไปส่งอาหารใช่ไหมเวลานั้นไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่คนทหารนี่มักจะเป็นดาบตอดาบนั่นนะฮะใช่ดาบตอดาบหัต่อหอกผมก็จะตายได้ผมจะต้องลองคิดนะน่าวาดเสียเลยๆนะจ๊ะ แต่ว่าทหารรันนาไทยเขาเก่งอเห็นว่าถ้าตายได้ก็จะมีแผลเฉพาะข้านหน้าข้านหลังไม่มีอ้าวเป็นอย่างนั้นไปบุกแล้วห้ามถอยตามกฎหมายเขาอะอถ้ามีแผลด้านหลังให้ปล่อยให้ตายไปเลยเดยด้วยจ้ะถ้ามีแผลเฉพาะด้านหน้าให้หมอรักษาได้เขาบังคับแบบนั้นเดยด้วยจ้ะสวยมั่งม่อยหรือเอ้ยโชติมีถุงนะ รวยมากๆัตนาสมบัตท mm ุกอย่างเลยแต่เนย้อเนื้อถึลบเราเนื้อไปถึงเรื่องการแพทย์ที่โอ้โหลำบากใจเลยเจ็บเอารวยรวยเจ้คดีมีสุขนะรวยมากๆเราไดสิเก่งๆนะแตไม่จ้ารวยรยโอ้ยสุขดีมีโุขเลยจ้ะ เลยเลยก็เลยการลบกันยังหนักดวนะแล้วมันดับไฟขบันต่อหน้านะฝากากไจงกันต้องคิดมืวยกันนะธรรมดาก็ต่างคนต่างเนื้อจะเอาชีวิตสัแลักษกันใช่ใช่ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกัน Oh. นี่มันเป็นกฎข้อกรรมอ๋อ oh, เวลาเข้าไปไม่ต้องพูดจาทาหลังความเพลงอาัไม่มีเวลาพูดโอ้ oh. <c oughs> เรารับทีแล้วต้องเข้าไงกันเลยโอ้โห oh. รถกองทัพไทยเราก็แปลกรถที่ไรกำลังเราน้อยกว่าทุกทีทุก oh. ครั้งเราหรือครับโดยเฉพาะยานยนตงสงครามเก้าทัพเนี่ยเราพึ่งของเขาเองโอ oh. แล้วก็ชนะได้อศัศจารย์ จะเป็นด้วยฝีมือหรือ hmm. ว <that> yeah, mm ่า hmm. ม mm ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวอื่นเป็นเพราะก็ไม่รู้ว่าชนะอะไรกันเอาชนะไว้เกณฑ์เช่นนะอะาโอแล้วสรุปแล้วว่าแม่ทัพฉลาดอ๋อคาดการคาดสุดได้ถูกต้องทราบทพามาเก้าทัพต้องตีลงทัพนี้ก่อนแล้วตีทัพนั้นต่อไปอ๋อเออเลยเอ้ยสุดดีมีตัวเช่าเลียนสีเก่งๆนะลูกนะ รวยมากๆปัตน้าสมหวังทุกอย่างเลจ้ารวยมากๆเฮ้ยโชคดีมีตัวพรเจ้าอ่ารวยมากๆปัตน้าสมหวังทุกอย่างคุณนะฮะ นายเจ้าพระเจ้าตัดสินให้มาเกิดใหม่ภ <g ül> <ส>าษามทยนรยเจ้าเนยโจตีมีตัวเออวันนั้นที่บอกว่าชื่อไม่มีเขาบอกส่งไปไม่ทันต้องพิมพ์เขปิดก่อนมีหลายคนนายเจ้นเ้ปิดายการนี้ก่อนอ จ, จอาโจดยโดยพะเจ้าจ่าไ้โจตีมีตัวนะ เลิกสาเคล่งเดี๋ยวอีกสักสิบกว่าปีกันเรยเออยระยอพระเจ้าสาตย์สินมาขัดจังหวะดีเหมือนกันนะใชถค่ะเลยๆนะจ๊ะคอยติจตามมีตุกนะประวัติแบบนี้สมัยใหม่ไม่รู้เรื่องเลยต้องเรียนตามหนังสือที่เขาว่าไว้ทุกประการเลยหนังสือเราก็โทษเขาไม่ได้เขาสั่งให้เขียนแบบไหนก็ต้องเขียนแบบนั้นอที่เขียนมาในเขาสั่งเหรอเขาสั่งอ๋ออย่างี้ก็หมดปัญหาไปแบบ เรื่องพระเจ้าตากสินตายเนี่ยใครก็รู้ว่าตายใช่ครัแล้วก็ปกปิดเรื่องในวังของข้าง น, นอกไม่รู้อแม่ก็ว่าเขาไปตุบเป็นตาแบบเอาพอทุบจุท่อนจานร้อโอยพระเจ้าตากสินร้อโอยโอยโอยแง่ว่าเรืเ่อยเปิยไปเลยรู้มากไปถ้ <c oughs> าหน้าตัวที่หลังยังได้ยินเสียงร้อง <c oughs> โอ ย, โอ ย, โอยแม่รุ่นใหม่ไม่เบานะ เอาเลยเลยนะจ๊ะขอโชคดีมีดวงนะเอาเลยยดวงเอ้โชคดีมีดวงนะจรวยมากๆพัฒนาสมองทุกอย่างดวงเอ้โชคดีมีดวงเลยนะจ๊ะคุณเอ้รวยมากๆรวยนะมะะ รวยมากๆโชคดีเหมยโชคด้วยคุณนะรวยดวยคุณ t ะโชคดีเหมยโชคเลยเอาเอารวยมากๆก็แบบหาสมัติทุกอย่างนะวางวางเลยมันจะให้เอารวยรวยลูกโชคดีมยโชคเลจ ยินจ้ะโจตีมีตุนจ้ารวยๆนะเฮ้ยรวยเลยเลยเลยเลยเลยมากมายพัฒนาสมองทุกอย่างนะ อาจารยาเออขอใโชคดีนีเงินไปรวยนะจ๊ะมาโยมจ๊ะรวยมากๆฝนน้ําสมองทุกอย่างนะ อ่านี้ก็ประกาศงานเพนนีหนึ่งเดี๋ยวเจริญคนไปเอ่อตกลงว่าวันศุกร์ที่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะฮะปลุกเศกประมหารลาบทำข้าวที่วิหารแก้วร้อยเมตรเวลาหนึ่งทุ่งเวลาหนึ่งทุ่งส่วนวันเสาร์ที่สิบแปดพฤษภาเป่ายัน์กรอบเพชรเป่ายันนี่คราวนี้สิบสองไล่3สามรอบสี่โมงเ้ารอบที่หนึ่งรอบที่สองบ่ายสองรอบที่สามบ่ายสี่มงเย็นครับ รวยๆนะจ๊ะขอให้โชคทีมีสุขนะด้วยมากๆพัฒนาสมหัตทุกอย่างเลยเอ้ยให้โชคทีมีสุขไปรวยนะจ๊ะเออ่สำหรับงานที่2ก็วันที่28่สิพฤษภาในเป็นวิสาขะปีนี้เขาอะไร828นะ28่สิพฤษภาวิสาขะก็สะดอกรอบนี้ก็มี2รอบ สี่โมงเช้ากับบ่ายสองโมงซอยสายลมจัดรถไปเช้ากลับเย็นท่านติดจองตัวที่เคาน์เตอร์ถามเขาอีกนิดให้แน่ใจเพราะว่าที่จอดรถก็เปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ซี่แยกพัชราไปจอดตรงระหว่างหอวังกับอะไรเซนทรัลหอวังเซนทรัลเอ่ น, นี่ผมที่ผมพูดเดี่ยวเพราะว่าไม่เคยไปือมึงบอกว่าถ้าไม่แน่ใจถามเขาอีกทีเพราะ ม, มีบางครั้ง เขาไปจอดที่นี่แต่เราไปขึ้นรถโน่นสี่แยกราชด่าอีกทีหนึ่งตกลงก็ไปขึ้นที่สี่แยกราชด่ดาไอรถผ่าไปจอดก็ต้องโน่นไปพลอแควเลยครับอย่างนี้ก็ต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เต่อไปนะจะไปจอดที่นั่นระหว่างหองวังกับไอสี่ไอเซ็นอ่านนะมองอะไรเซ็นท่านหลัดลาบกับมองอะไรก็<วะ> เห็นเขาเลยก็หอวางหอว่ไม่รู้่ะเดี๋ยวเป็นวางเพชรไปยุงนะจะเยนรู้แต่เพียงกระหอวางห่อนั่นเองนะครับแหมงานที่หลวงพ่อจะเหนื่อยน้อยสุดก็คืองานเป่ายากรอกเพชรนะใช่แร้ว่าจะต้องแจกตั้งแต่เช้ายันสี่มงย็นโอ้ไม่ใช่สี่ิหลวงพ่อก็ต้องอยู่จนกระทั่งคนในรอบถึใช่ะโอ้ฟอกวงขึ้นมา แม้หลวงพ่อน่าจะทํามือปลอมสักมือนะเข้าท่านี่นะค่อยกดหุ่นแล้วมือแล้วก็ไม่ดีกว่าทําหุ่นอ๋อหุ่นยนต์ทำหุ่นยนต์ปลอมไปหนะาหน่อยๆแล้วถ้าพูดเหนื่อยก็ใช้เทฟแทนนะเข้าท่าแต่ยกทรงนะครับทีนี้ผมสบายแล้วเพราะไม่ไหวแน่ผมก็เปิดเทฟแล้วก็ทําปากฟังงาบฟังงาบเล็กอ้อยมาไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ดิกําลังพูดอยู่ฮ เดี๋ยวนี้หากินหลายอย่างนะโอ้ไม่มจชนันมไม่จริงฝากและไอ้ที่ผบอกแมว่าถ้าโครงสร้างห้องท่ามไม้ต้องยอดอุดแยกเป็นมันพันเ <c oughs> ขาไเจองานเป่ายานันกัเพชรพูดตรงเปนางัางแล้วอยู่เลยพอรสร้างผสมไม้นินดๆหน่อยมันจะพอใช้เหรอเนี่ย <c oughs> ไอ้เนี่ยมันเสือดาา่ามะขามก่อนนนี <c oughs> ่มะานี้มันเสือไปเยี่ยวเยี่ยวไม่ได้ราคนมันไปจองคิวกันอยู่ก็ทำผสมไม้นิดๆหน่อยจะพอเยี่ยวโอ้ ที่จริงขนาดเป็นพันๆในประเทศไทยก็มีแห่งเดียวนะพขจะบอกว่าห้องสวงวัฒนทรงเรียกห้องส้วสเตโีโไปจุดหลายมืทั้งนั้นหอมปุ้งไปเลยนะเอรวยๆยอดสีมถูกนะเออรวยๆเอสตีมีสบายมัจ๊ะ รวยนจ้าขอโชคดีมีสุขนะเออรวยมากๆปัจจณาสมบัตทุกอย่างจ้าเออรวยนะจ้ i เออโชคดีมีสุเออรวยมากๆปัจจณาสมบัตทุกอย่างนะจ้ารวยๆนะ แหมที่รถพ่อเป่ารอบแรกสี่โมงเช้าเนี่ยนะแหม่พิเศษที่สุดเพราะระการที่หนึ่งราคาก็ไม่เป่ารอบแรกนะไอรถจะมาใหม่ก็ไม่รู้จะจอดตรงไหนเท่ากับเป็นการปล่อยคอนกับอสบายสลับไม่ก็ไม่ไหวไม่เคยไม่ไหวมาแล้วอ่าไหนนะมาบ่ายก่อนจะเป็นอะไรบ่ายโมงหรือไงโอ้โหบ่ายโมงแล้วไปนั่งคอยก็จะ ต, ตีสองตีสาม ทีทีสองทีสามยันบ่ายบ่ายโมงนูโอ้โหไปจองที่นเลยนะไปเที่ยวมัไม่พลาดไปไปเลยโอ้ไอ้คำนี่มันหนีไม่พ้นนะครับครแต่ไอ้ที่หลวงพ่อแนะนํำว่าให้เป็นประตูดาบานนี่จะได้ป้องกันเองงอเออขั้วนาใบพอเธอไม่ลงลึก<า>อย่างน้ำมันอย่างมากออมาเป็นม น, นุษย์ป่วยไข้ไม่สบายโอ้ครับไม่เอาดีกว่ารีบเป็นพระนี่ไปไปละหันเลยนะอ่านี่อะไร ราภเท้าหลวงพ่อที่กรลอย่างสูงอลูกขอเรียนถามว่าอีตอนที่ลูกฝึกมโนโมยิธิข้างบนชัดเจนแจ่มใสเป็นอย่างมากครูเลยบอกว่าอา้าววันต่อไปให้ไปฝึกยานแปดข้างล่างนะพอลงมาฝึกยานแปดเท่า น, นั้นเองเจ้าค่ะตกวูบไม่ได้เรื่องเลยเห็นก็ไม่ชัดความรู้สึกก็ไม่ค่อยแน่นอนมีความลังเลสงสัยอยู่อย่างนี้ ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าไอ้ความลังเลสงสัยในขณะที่ฝึกจานแปดนี้จะแก้ด้วยวิธีอย่างไรเจ้าค่ะแก้ด้วยการไม่สงสัยคนนี่แก้แบบง่ายๆอย่างนี้เอง<อ>สงสัยเป็นนิวรณ์นะ <c oughs> ถ้านินวร์ตัวใดตัวหนึ่งเข้าสิงเวล า, านั้นสมาธิตกครับ <c oughs> เอ้ทออีออนียจะจะจะเออมาพูดมันง่ายหลวงพ่อครับ แล้วมีเทคนิคในการแก้ไขไหมครับหลวงพ่อก็ตัดสินใจว่าถ้ารมเกิดขึ้นครั้ ง, งแรกให้เชื่อทันทีอ๋อเอาเอาเอารมณ์แรกเป็นเกณฑ์นะใช่ใช่คับครับคับอันนี้บอกว่าอะไรนะหลวงพ่อคะลูกไม่ใช่ว่าจะมีความโรคอย่างใดหรอกเจ้าค่ะเพราะก็ปฏิบัติธรรมะของหลวงพ่อมาเป็นเวลาช้านานแล้วแต่ได้อธิษฐานว่าถ้าถูกรางวที่หนึ่งสักสองสามครั้ง ลูกจะแบ่งถวายให้หลวงพ่อครึ่งหนึ่งอย่างนี้แสดงว่าลูกมีจิตเป็นกุศลไม่มีโลภะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่โอโ้ในโลกนี้ตรงนี้นะไม่โลภนะไม่โลภแต่อยากได้เฉยเฉยโอ้ขนาดขอถูกแค่สองสาครั้งไม่โลภนะมม่มากเอ๊ครั้งสไหร่นะเฮ้ยรงวันที่หนึ่งนี่สไหด์ฮะฮะที่สองล้านก็เหรอ สองสามครั้งคือสองสามสามสิบหกสามสิหกล้านโอนี่ไม่โลภเลยนะไอผมไม่กลัวอะไรหลวงพ่อไม่เลยเพราะเกิดถูกเขาจริงๆริงปุ๊บจำว่าท่าสุงไม่ได้ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่ใช่จําได้แต่ไม่มีเวลาโอไม่ว่างครับครับหลักไปหลักมาจนกระทั่งแก่ตายไปเองเลยนะอ้าวทําไมโลภแน่แล้วเจ้าคุณเนี่ยรอดถึงสามสิบหกล้านนะยาก อไลนต่อไปบอกอะไรน้ัสการกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่กรุจ๊จอย่างสูงคือว่าตอนนี้ลูกมีความทุกข์ใจเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรน้องชายของลูกแก ต, ตายเมื่ออายอุ27ปีถูกคนร้ายฆ่าตายวันนั้นเป็นวันพระตรีสองถือว่าแกแกก่อนที่จะถูกตายปกติแกแกห้อยสวมช้อยมีพระหังหมากมีพระอะไรผ้ายันพิชัยยโสรามด้วย แต่อีตอนตายแล้วนี่ปรากฏไปดูศพกรอบพระยังอยู่บริบูรณ์แต่องค์พระหายไปก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเอาพระหางหมากกับผ้ายันท่านสเสด็จไปไหนตอนที่จะตายสมัยไม่อยู่ด้วยลูกอยากจะให้หลวงพ่อไปตามเอจะเอากลับคืนมารใส่ตามพิวัฒ น, ทนท์ทรงสิครับอ๋อนี่ร้อยบาทครับ อ๋อเนี่ยไปเวลาไหนเจอทันทีใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เวลาหลักไม่ได้โอ้มีกรณียกเว้นนะ <c oughs> อ๋อไอ้ไอ้เรื่องการเป็นการตายตายดีตายร้ายเนี่ยมันเรื่องของอกฎของกรรมอ๋อถ้าถึงวาระพ่าอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับไอ้ที่หลพ่อเคยเล่าบอกว่าแม่ตะเสือที่ว่าอันรเหนียวเหนียวเก่งๆก็ใช่ๆช่ใช่ใชโอ้หลับก็เรื่องของวานะ นี่ก็บอกว่ากราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงโตนตังสือโลกมีความศรัทธาเลื่อมใสหลวงพ่อมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523จนปัจจบันนี้ก็ยังเลื่อมใสหลวงพ่ออยู่โตไม่ยังเลื่อมใสยอยู่น ะ, <laughs> ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อที่หายไปโลกแนะนำคนอื่นเขาร่ิมเขารวยเขา มีความคล่องตัวทุกอย่างกันเป็นอย่างมากแต่ว่าตัวฉันที่เจ้าคะ <c oughs> เตี้ยลงเตี้ยลงทุกที <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรไอ้ข้างบ้านมันรวยเอ้ารวยเอาคบางครั้งก็คิดโกรธบอกนี่เพราะเราไปแนะนํามันลึงรวยเราเลยจึงจนต่อไปนี้ลูกจะเปลี่ยนแผนใหม่ได้ของดีอะไรจากหลวงพ่อลูกจะไม่บอกมันไปแล้ว <c oughs> ไม่บอกไม่ต่อไปอีกแล้วแล้วลูกก็จะได้รวยแบบมันบ้าง อารมณ์คิดอย่างนี้หลวงพ่อว่าจะถูกต้องหรือเปล่าท่านครับถูกอ้าวถูกอีกแล้วไม่ผิดแล้วเอ๊ยังไงกันแน่นะก็ถูกเขาคิดงั้นก็ถูกอถ้าถูกในทางที่ไม่ควรอ๋อการถูกนี่มีสองอย่างเนะอ๋อหมายความว่าถ้าทําอย่างเขาจะบอกเขาไปแล้วถามว่าเขาทํำยังไงให้ทําเหมือนเขาออ อ็ยังมีผลเหมือนเขาใช่ไหมครับครับยังไงเจ้าของไม่ได้ทําเหมือนเขาเขาทําหนักกว่าขจึงมีผลมากอ้ยอ <c oughs> ย่างนั้นวิธีแก้ไขก็คือต้องไปถามว่าวิธีที่เขาทำเขาทำยังไงใช่ไมใช่ใช่ใช่ผมสงสัยว่าแกโคตจะไปนั่งตาเหลือบตาคลอนจนกระทั่งไม่มีเวลาจะไปถามนี่มันจะได้ยากตนนี่นะใช่เออยาถาเงินล้านนี่ต้องถามฝ๋าเลยป่าปัญญาจะเจ๋วเลยกลับก็ไปนั่นว่า อ, อให้ไปถามคนที่เขาปฏิบัตินี่เน่ถ้าอยากใช้ดีนะั้ไปซื้อหนังสือสิเพราะเขาป๋ า, า, าปัญญาบังเอิญเนี่ยนะฮะแตวิธีการเทคนิคนี่ถ้าอยากจะรวยเละต้องเอาทับับนบี้เป็นเกณฑ์นะฮะหับนี่บอกว่า เ, เมื่อวันที่อะไรสิบห้ามีคอสามสี่ลูกถูกรถชนกระดูหไยฝาปราฝราหักต้องรักษาตัวแล้วก็ อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าต่อไปในโอกาสหน้าเราจะไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกถามว่าจะต้องทําบุญกับหลวงพ่อสักเท่าไหร่ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ไม่จะเป็นหรอกนะครับไม่เอาจาะบ้ายกันแล้วกันอ๋อนี่นี่เป็นวิธีแก้ไขแลนะครับใช่ใช่ทำบุญทําบุญก็ไม่พ้นโอ้ยยังไงก็สแสดงว่าอะไรเป็นกฎกฎของกรรมเนี่ยมันหนีก็ไม่ได้โอ นี่มันกฎขั้นคำโทษปาน า, าติบาศักครับอ๋อไอ้ที่เดินไปรถชนหรือ ช, ชนรถยใ ช, ใช่ใช่ใช่ถ้า<อ>เป็นทางร่างกายนะฝากฝากวยไข้ไม่สบายก็ดีรถชนก็ดีตกทุนไม้ก็ตามทั้งหมดนี่มาจากปาน า, าติบาเก่า<อ>เพราะฉะนั้นก็ต่อ น, นี้ไปก็อย่าไปทําปาน า, าติบาถ้า ต, ต่อไปก็จะได้ไม่ประสบปัญหาอย่างนี้อีกครับก็เป็นอันว่าเอวังก็มีด้วยประกาศนีย์ ท่านก็ยิงท่านนั่งนุ่งผ้าขาวผมผ้าขาวนั่งชักรูปคุกเข้าอยู่ตัวโตองพระเจ้าตากสินนะครับใช่พระเจ้าท่านรอหนึ่งก็เลยไม่กล้าเข้าทิ ดีวิดีหาวขบถนะอ่ันขัดดาบมาหนิพอมีมีกฎหมายแบบเก่ามันเอาแน่ไม่ได้นี่นะถ้าก็ไมกล้าเข้าแต่มองเห็นก็บอกว่าด่วงเลยเอามาที่เอาดาบเข้ามาด้วยเอาลป็นตัวตัวโรคไปเฉียดแทงเลยอาตุนี้ไม่ใช่อาตุน วาตตาโลคะสามขันเมื่อเราวา ต, นตวานโโลโลคะเบเสียแทนโรคือการเสียแทนของลมเหมือนลมเหอนลของลมที่มีพิชมันที่งูแต่โรคที่มีพิษต้องลมที่มีพิษมืนที่งตายไปเ็กก็เสียเงนแล้ว <c oughs> ภาาาคเดิทำไมเรายังติดใช้ภาษาชาวมคอนดเดิมเพราะไทยสายเหนือเนี่ยมาจากชานมคอนคือมาจากชาวมคอนาวคอนเหนาเป็นสายเหนือเนี่ยถ้าสายใต้เนี่ยมาจากเขาพะนาวุฒิคิดมาจากไหนก็เอา ผมก็ไทยไอพี่เจ้าคตรเนี่ยมันก็ไทยแต่ว่ามันตอนเดินทางเข้ามามันอยู่หลายที่เนี่ยถ้าอยู่จินแทนก็เอาผมว่าใช้ภาษาเนี่ใช้ภาษาเนาะใช่จริงเข้าตรงเนี่ยอ่ า, า, าไทยผมก็อยู่นะอินเดียไอผมก็ไปอยู่เขตหนึ่งของอินเดียแต่เข้าไปที่นั่นเรากา็ภาษาไทยกัน เว่าถ้าเขาลงมาทาเม่ถูกแทะผมเนี่ลงมาอมฤตเดินเลื่อยสมาพุทธมาเนี้ยฤ้ธิก็มาลงทางตะพัดบุรีจใต้จนใต้ใจใจใจก็คือไทยไทยไทยยกมาจุดนั่น เช่นนามว่าไทยอาภณแล้วก like <to mind> ็ต่อมาอีกสักร้อยปีเศษมีไทยพูดหนึ่งยกมาตั้งถิ่นใกล้ถิ่ไทาปใกล้กันให้นามตัวเองว่าไทยบริวัรก็ไทย it's จะไปอยากอะไนะเพรอยากสร้างมันก็สร้างหมดเาก็ไม่ใช่ให้คืออยากสร้างเลยอันนี้ใช่ใหญ่ที่สุดถ้ามันไม่ใส่อย่างอื่นถ้าเราไม่อยากสร้างมัอย่างก็ไม่ได้สร้างถูกไหมกีนหมากระดองมันถูกแล้วไอ้นี้มันอะเพราะว่า โคจกศาจการความทั้งพระตรวิฎกแล้วพระบริบารีนี้ก็ขาดทำมาสวเพือพระพันกระดานแต่จริงๆแล้วโคกศาจานรงนี้ที่ไปแปลพระตรปิฎกจากภาษาสี่หนมันเป็นภาษามรดกร็่แรกฉันแปลไปดไปใช้เค่ว่าถ้าแค่ไปไปแล้วมาไม่จะแคบขนาดใหญ่ คือมืองสุธรรมวดีนัเทมนัเทม